หยแยกกระไรมาท้องท่ายเสียหายหมดเลยไปอยู่ธรรมะถูกแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าที่ฝนตกก็อากาศเย็นก็ให้มันอึดอัดให้มันใจจะขาดให้มันทุรลพุายให้มันเป็นอะไรมันก็ให้มันเป็นแต่การพี่นะณอย่าหยุดให้ต่อเนื่องเพราะนั้นคือเครื่องขวางไออาการที่เกิดขึ้น่ะ คือเครื่องขวางถ้าไปหยุดแล้วก็สติปัญญาเดินไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เกิดกําลังในการรู้เมื่อไม่เกิดกําลังในการรู้ก็ไม่เกิดกําลังในการละเมื่อไม่เกิดกําลังในการละมันก็ได้แค่นั้นน่ะแค่ที่ทำน่ะก็ละอะไรไม่ได้ <c oughs> มันต้องทำให้สุดแล้วใช่มันยังหวงกายอยู่มันยังยึดกายอยู่มันเพียงกลัวว่ากายมันจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ยังยังจะเอาสาระทางกายอยู่ เก็นั้นแล้วก็ไม่เข้าใจน่ะปัญญาไม่ถึงก็เคยเทศเคยบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรมันจะแตกสลายก็ให้มันแตกสลายอะไรมันจะพังก็ให้มันพังอะไรมันจะพินาศก็ให้มันพินาศอะไรมันจะทุกทรมานทุรนทุรไลาแค่ไหนก็ให้มันเป็นแต่การพิจนาจิตของเรานี้ให้มันติดต่อเนื่องกันอาการเดียวกันกับพระอุบยุอุบายูกระโทรมาผมเป็นยังไงไม่รู้พินาแยกธาตุแยกขันแล้วมัน หัวใจมันจะระเบิด่ทำให้มันระเบิดไประเบิดที่ที่จะเป็นอะไรไปอย่าลืมว่าอาสวะกิเลสมันเครือบอยู่ในดวงจิตดวงใจเราเครือบอยู่ล้ําแฝงอยู่กับเชื่อมโยงเข้ามาในกายเราอย่างแยกกันไม่ออกอาการทางจิตเป็นอย่างไรอาการทางกายก็ได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วยก็เป็นอย่างนั้นจิตมันจะขาดจากกิเลสแต่เราไม่ยอมให้มันขาดมันก็เหมือนว่าใจจะขาด อัดทรมานผูลรอดผู้ไรมันก็ไม่เคยขาดสกักการสักทีอ่นก็จะแนบแน่นกันด้วยกันไปอย่างนี้ตลอดความหลงความไม่รู้ตัณหาอาสวะการพิจารณานั่นแหละคือองค์คุณสําคัญที่จะเป็นการถอดถอนสิ่งที่มันผูกมัดเราไว้กับความเห็นผิดว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายพี่น้ำต้องต่อเนื่องจนเกิดกําลังในการรู้รู้แจ่มแจ้งแล้วรู้แล้วรู้อีกรู้อยู่อย่างนั้นรู้จนบ่อยๆรู้จน รู้จนมันเกิดการละมันเพียงพอต่อการละไม่เดี๋ยวไปเพียงพอต่อการรู้รู้ให้มันจนพออย่าไปบอกว่ารู้แล้วพอแล้วมันไม่พอหรอกมันไม่แล้วหรอกถ้าแล้วจริงมันก็สิ้นอาสาบหนุนถ้ายังไม่แล้วกับพิจารณายอยู่นั่นแหละแยกกายแ ย, ยกจิตกายเป็นธาตุดิ น, น้ำไปรวมจิตประกอบไปจากนามสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นเราทั้งหมดเป็นเพียงแค่อาการกลายเป็นธาตุสีก็แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่แล้วตามการแห่งการเรียนรู้ศึกษามาใช่ไหมล่ะ จิตก็นาสีแค่แสดงอาการสุกบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุกบ้างสัญญาทรงจําสังขารความคิดวิญญาณรับรู้มันก็แค่นี้ได้จะไปเอาอะไรไปวิตกอะไรไปกําวลกําไรเมื่ออาการมันเกิดจริงๆแล้วทําไมไม่พารณาอาการที่เกิดจริงๆโดยแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนในส่วนแห่งกายคือดินมันจะทุรนทุรายแค่ไหนก็มันแค่ดินน้ําไฟลมมันจะเป็นอาการอิดอัดทรมานแค่ไหนก็แค่น้ำสีพินธนาสัญญาสังขารวิญญาณ เราปฏิบัติเพื่อละตัวนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ยึดเอามันถ้าเรายังหวงแหนมันอยู่ก็กลัวตา ย, ยก็ไปไม่ได้เดี๋ยวเจ้าทํา ค, ความตายไปโนโ้มันจะตายต่อหน้าต่อตายก็มันตายไปมันไม่ตายถ้าตายก็ตายก่อนแล้วต่อมาก็ตายก่อนไม่ได้มาดัางสอนอย่างนี้หรอกถ้าจะตายพูดถึงว่ามันเป็นแค่อาการแสดงเท่านั้นเองเราก้าวข้ามมันไปไม่ได้เราหลงเหการมันแสดงขึ้นจากการพิจารณา ไม่อยากให้กายกับจิตแยออกจากกันแล้วความเห็นผิดเราก็จะได้ยึดถืออยู่แ้วน่ะว่ากายเป็นเราเราเป็นกายต่อไปแต่พอกายกับจิตแย่งกกันได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะเอา้าอะไรเป็นเราทีนี้กายก็ถูกแย่ไปแล้วจิตก็ถูกแย่ไปแล้วความเห็นผิดที่ถือว่าเป็นเราในกายก็ไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือว่าจิตเป็นเราก็ไม่มีมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ประกอบเป็ขึ้นตรงเนี้ยเข้าใจ ก็สอนก็บอกมาไม่รู้เท่าไหรนะ่ฟังเทศตั้งมาก็เทศไว้เดีย๋ยว่าแต่ตัวเราเลยโลกนี้จะพังพินาศอยู่ตอนนี้ก็อย่าให้สติปัญญาเราหยุดการพิจารณาอย่าไปหยุดจิตนจะแรงละเอียดแหลกสลายยังไงก็อย่าไปหยุดการพิจารณาให้พี่นาต่อเนื่องแม้แต่ตายปุ๊บการพิจารณามันต่อเนื่องไปโน่นเทวโลกโน่น มันไม่หยุดอ่ะหยุดมันไม่ตายการพิจาณาไม่ตายแต่กายนี้ตายแน่นอนอจิตนี้เกิดดับแน่นอนแต่การพิจารณาไม่มีไม่มีตายยังเป็นเพราะว่าต้องมาสองครั้งค่ะตอนนนระนั้นก็รู้สึกวใจเส้นแรงืกินคิว่าเป็นไทรอยด์คืมาัรอแบนะผมนังยังหลงใจอยู่หลงอาการทางาจอยู่ หลงอาการเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวนา น, นี่คือประสบการณ์จริงของการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นเกี่ยวกับโรคภัยเนี่ย <c oughs> เขาเรียกประสบการณ์อ่อนการเรียนรู้ก่อนนี้ก็สุดไปเลยแ ล, <c oughs> แล้วจะเห็นการขาด <c oughs> แล้วก็จะชัดเจนว่ามันขาดยังไงขาดจากการพยายานานี่เรณาจริงๆไม่ใช่จุดจูยังมานั่งจอดูให้ไกลมันขาดจากจิต กายกับกจิตแนบแน่นกันอยู่แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วกายกับกจิตนี่แยกกันไม่ออกใหแยกง่ายก็แยกไม่ออกอะ่ะเนี่ยแต่พวกนักเพ่งฌานที่เพ่งให้กายดับมันก็ไม่ได้แยกกายออ ก, กจากจิตนะสเสวยในอรู ป, ปรอภมอรูปฌานไม่มีรูปอยู่ก็ไม่ใช่ว่ากายมันหายไปไหนกายไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าอํานาจของฌานมัน สะกดไว้อำนาจของชานมันทับไว้หรือหินทับหญ้าไว้พอยกหินออกมันก็งอกเงยได้อีกหมายถึงว่าเกิดมีลูกมีเวทนาขึ้นมาอีกประกอบกันรวมตัวกันมาได้อีกก็เราไปเห็นผิดในกายอีกได้หรือพวกที่เพ่งจิตเพ่งนามเพ่งตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก้าวข้ามเวทนาให้ได้ก้าวข้ามเวทนาให้พ้นประเภทนั้นสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเพ่งจนเวทนาดับ สัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับหรือแต่กายหรือแต่รูปถามว่าสภาพความเป็นจิตมันขาดออกจากกายเหรอือไม่คาดมันแฝงอยู่ในรูปนั่นแหละพุทธเจ้าบอกไม่ได้เป็นทําลายที่กายแล้วไม่ได้ทําลายที่นามไม่ได้ทําลายที่รูปไม่ได้ทํำลายที่นามทาลายที่ความเห็นผิดเราต้องพีนะแยกกายแยกจิตเพื่อทําลายความเห็นผิดนี้นี่คือความสําคัญตตรงนี้ ไม่ใช่ไปดับเบธานาหรือ ไ, ไปดับตัวกายแม้แต่มองกกลเห็นมันเป็นของบางเปล่าอยู่มันมันก็ไม่ได้แกกกายออกจา ก, กจิตได้มันแค่เห็นเพ่งจนเห็นกายว่างไม่ดีไม่ใช่การเจริญมากก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้รู้ว่ากายเป็นแค่ของบางเปล่า แต่การที่นากายลงสู่ความเป็นธาตุหนึ่งเราก็จะได้เห็นธาตุแท้ของมันเราก็จะเห็นจิตที่มันวนเวียนอยู่กับธาตุทั้งสี่คือเกี่ยวโยงกันแสดงอาการปรากฏเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญ, ญาณขึ้นมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดกดับวนเวียนอยู่ในธาตุทั้ง4นี้สติปัญญามต้องพอถ้าสติปัญญาไม่พอไม่มีทางจะรู้ธรรมะได้เถ้าธรรมะ ม, มันจะต้องมีสติปัญญาที่เพียงพอสติ ตั้งมั่นไม่กลัวต่ออาการที่เกิดขึ้นปัญญารู้ชัดกับอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่บอกแวกมันจะเป็นอะไรก็เป็นตั้งหน้ารับรู้มันอย่างนั้นเนี่ยนักภาวนานต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อึดอัดอะไรมาตายแล้วกูตายแล้วกูวกไม่ไหวแล้วอย่ยงเงี้ มันก็ทั้งดูทั้งอารมณ์ก็มีอะไรบ้างเอ้าอารมณ์อ่ะความเข้าใจคําว่าอารมณ์คืออะไรเกิสุขไม่สุขเรื่องราวทางจิตทั้งหมดเลยเหรอเรียว่าอารมณ์ผิดดูอารมณันหนึ่งรูปอารมณ์สัทธารมคันพาลมอะไรรักษารม์โพธพาลมธรรมอารมณ์รมอารมณ์อารมณ์ ดูอารมณ์ต้องดูหกอย่างไม่ใช่จะไปดูแต่อาการที่เกิดกับจิตเท่านั้นจะเป็นอารมณ์ใช่ไหมรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปสัทธาอารมณ์อารมณ์คือเสียงคันธารลมอารมณ์คือกินระสารมอารมณ์คือรสชาติโหดถพคารล์คืออารมณ์ที่มาสัมผัสสิ่งใดก็ตามมาสัมผัสสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ให้กับกายรูปเป็นอารมณ์ให้กับตาเสียงเป็นอารมณ์ให้กับหู กินเป็นอารมณ์ให้กับจมูกรถเป็นอารมณ์ให้กับลิ้นการสัมผัสเป็นอารมณ์ให้กับกายธรรมารมเป็นอารมณ์ให้กับใจแง่ดูอารมณ์ดูเป็นหรือเปล่าเนี่ยนิมิตจามาบอกแค่ไหนก็าตามแต่ปัญญามันไม่รู้เขไม่รู้อยู่นั่นแหละไปดูอารมณ์อารมณ์มาดูอะไรอารมณมันก็ใช่อันนั้นเป็นธรรมารม สูบผูกไม่สูบไม่ผูกเป็นธรรมอารมณ์ <S <S สิ่งที่เห็นก็เป็นรูปอารมณ์รูปอารมณ์คืออะไรคือรูปรูปคืออะไรทีนี้อารมณ์คือรูปคืออะไรคือดินน้ำไฟลมทั้งหมดน่ะกนะ็แค่นั้นแค่ตาได้ไปเห็นมันแค่ตาเห็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาสิ่งใดๆก็ตามปรากฏแก่สายตานั้นก็เป็นรูปอารมณ์พารณาอย่างไงก็กีนาว่ามันแค่รูปอารมณ์อารมณ์คือรูป และพิจารณาว่าก็ตาไปเห็นสายตาไปเห็นใช่ไหมละ่ะถ้าเรามองเห็นก็ใช่ว่าวิรูปารมใช่มองเห็นข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังมองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ไห ม, มก็มันมีรูปารมอยู่ข้างหลังแต่มองไม่เห็นมันก็ยังไม่ใช่รูปารมแม้จะมีรูปอยู่ข้างหลังเรา เราไม่ได้มองตาไม่ได้ไปเห็นตาไม่ได้ไปสัมผัสรูปเหล่านั้นก็ไม่ใช่รูปารมณ์อะไรก็ตามปรากฏแก่สายตานั้นก็เป็นรูปอารมณ์เป็นอารมณ์คือรูปเป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเสียงใดๆก็ตามเป็นแค่หูได้ยินเสียงกินใดๆก็ตามเป็นแค่จมูกได้กลิ่นดมกลิ่นรสชาติใดๆก็ตามเป็นแค่ลิ้นลิมรสสิ่งที่สัมผัสกับกายใดๆก็ตามก็เป็นมีแค่การผลทัพธาถูกต้องสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัส อารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดกับใจทำอารมณ์ใดๆก็ตามก็เป็นเพียงแค่อารมณ์รำอารมณ์ที่เป็นตัวนามเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ตามธรรมดาอารมณ์ที่เป็นธรรมธรรมดาข้างมันจึงชื่อว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัมผัสกับจิตเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปจากจิตเป็นธรรมดาแต่เราไม่เคยพิจารณาและไมู่รู้เรื่องพวกนี้มันก็แค่จิตรับอารมณ์ จะเป็นสุขก็ตามก็แค่จิตรับอารมณ์จะเป็นทุกข์ก็ตามก็แค่จิตรับอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามแค่จิตรับอารมณ์ดีก็ตามก็จิตรับอารมณ์ชั่วก็ตามแค่จิตรับอารมณ์บุญก็ตามแค่จิตรับอารมณ์บาปก็ตามแค่จิตรับอารมณ์เราจะไปหมายให้ความหมายกับจิตไปมากกว่านั้นไม่ได้ถ้าเราไปให้ความหมายมากมากมายกับจิตดีมาสัมผัสกับจิตจิตดีทีนี้ จิต ด, ดียึดจิต ด, ดีไว้อันไม่ดีมาสัมผัสกับจิตจิตไม่ดีปฏิเสธอันจิตไม่ดีนี่นะคือไปให้ความหมายกันมากเกินไปเกิดการปรุงแต่งในดีและไม่ดีขึ้นเมื่อมีการปรุงแต่งก็มีการยึดบ้านถือบันในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมละ่ะกําหนดหมายขึ้นใช่ไหมละ่ะกาหนดหมายว่าดีเราเอาอันไม่ดีเราไม่เอาแล้วมันเลือกได้ไหมละ่ะในแต่ละครั้งว่าจะให้ดีมาสัมผัสกับจิตเท่านั้นเลือกไม่ได้ มันเลือกไม่ได้เมื่อเลือกไม่ได้จะไปเลือกมันทําไมก็แค่รู้มันตามความเป็นจริงว่าอะไรมาสัมผัสก็รู้อนั้นตามที Yar ่มันเป็นดีมาสัมผัสก็รู้ know, ไม่ดีมาสัมผัสก็รู้อย่าไป ย, ยึดถือแม้กระทั Mess ่งจ mm. ิตดีไอ้จิตดีนี่แหละมายึดติดได้ดีมากและเมื่อยึดจิตดีนี่แหละอันไม่ดีมันก็มาด้วยมายังไงมันมาในด้านปฏิเสธปฏิเสธอันนี้ดีนั่นน่ะนื้อคือไม่ดีแล้วเข้าใจคืออารมณ์ มันแค่จิตรับสัมผัสจิตรับรู้แค่จิตรับทำอารมณ์แค่ตาเห็นรูปแค่หูได้ยินเสียงแค่จมูกดมกลิ่นแค่ลิ้นลิ้มรสแค่กายสัมผัสแค่จิตรับอารมณ์พี่นายอย่างนี้ไม่ได้เหรอจะอื่นอัดแค่ไหนก็ตามก็แค่อะไรจิตรับอารมณ์เสียงจะดังแค่ไหนก็แค่หูได้ยินเสียง ใช่ไมหมล่ะแต่มันแต่มันไม่แค่นั้นนะ่ะเวลาเวลาหูได้ยินเสียงมันไม่แค่นั้นนะ่ะมันไม่แค่ได้ว่าหูได้ยินเสียงมันคืออะไรล่ะก็คือขาดสตินั่นแหละก็มันรูด้ดิมันรู้การขาดสติดิอ๋อเราขาดสติไปแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราขาดสติไปแล้วสติก็เกิดขึ้นแล้วนี่โยมมงคลบอกว่าขอขอพระอาจารย์แนะนำวิธีการที่ทําให้จิตของเรา ไม่ต้องเผลอเลยมีไหมไม่มีเอาไม่มีแล้วเราจะปฏิบัติยังไงก็ให้มันเผลอแล้วก็รู้ว่าอาการที่เผลอไปไเนี่ยเผลอไปยังไงนั่นก็คือมีสติแล้วเอาเหรอพระอาจารย์เป็นอย่างงั้นเหรอเอาก็เป็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติไม่มีเผลอไม่มีหรอกมันต้องเผลอการปฏิบัติต้องเผลอปฏิบัติยังไงไม่ให้ผิดพระอาจารย์ไม่มีอ่ะต้องผิดก่อนอาจารย์แม่ มันต้องผิดก่อนมันจะให้ถูกไปเลยทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ฝังเข็มครั้งแรกถูกเลยไม่หละ่ะ <c oughs> ผิด <c oughs> ผิด <c oughs> ผิ ด, ผ ด, ผดถูกถูกไปอย่างงี้ใช่ไหมหละ่ะเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกใช่ไหมหล่ะสุดท้ายก็ผิดมากเข้าเอถูกมากเข้าผิดก็น้อยลงโรค ก, ก็ดีขึ้นนะมันก็โรค ก, ก็เป็นตัวปรากฏอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลจากการฝังถูกจุดหรือไม่ถูกจุดมันก็แค่นี้ เรียนจบปั๊บฟังปุ๊บถูกจุดเป๊ะไม่มีไม่เคยเจอเจ้าชายศิลธาออกบวชแล้วแต่สรู้เลยทีเดียวเลยไหมหกปีถามว่าหกปีนั้นอยู่อย่างสุขสบายเหรอลำบากก็พีพถูกๆมาหน่ะแนนหละแต่ไม่ใช่ถูกเลยทั้งที่เป็นบุคคลผู้ควรค่าแก่การบรรลุเป็นสรพพัน จะบรรลุเป็นความเป็นสัมพันธ์ยุติธรรม่านานั้นก็ยังทำแบบผิดๆถูกๆมา ค, ค่อยมารรลุจับเส้นทางถูกในภายหลังได้พระสนะตโอลิวิสานฟังเทพผู้เจ้าคุบจะเอาพระนิพพานในเวลานั้นเดินจงกรมจนเท้าแตกไม่บรรลุคุกเขาเดินจงกรมเมื่อเขาแตกเดินไม่ได้้านเอาหานเอาก็สอกแตก เนือตัวถลอกอเปลืกหมดก็ไม่บรรลุพุทธเจ้ารู้ว่าหากหากปล่อยให้สนาโกลิวิษณ์ทําความเพี้ยนอย่างนี้อีกต่อไปตายแน่มาผลก็ไม่ได้จริงๆเดี๋ยแม้แต่ท่าน ท, ท, ที่ฟังเทศพุทธเจ้ามาก็รู้ไม่ไม่เพีไม่รู้นะเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะแต่เวลาทํามันก็ต้องมีผิดบ้างพุทธเจ้าก็มาเทศบอกเหมือนกับพิ้ยนสามสายนั่นเละตึงเกินไปแบบไม่ได้ย่อนเกินไปก็ไม่ได้พอดีพอดีถึงจะได้เข้าใจ มันต้องผิดก่อนหมดแล้วปัญหามีแค่นี้เหรอปัญหามีแค่นี้ก็ก็ยุติแค่นี้แหละในการตอบไม่รู้จะให้พูดอะไรไปมากกว่านี้ จะเรียกว่าไม่มีเรื่องให้มาพูดหร้อมั้งเนี่ยันนี้อาจารย์รานมีใครทามีทนเนมันทาไมนั่นตาะรือะวะไอ้หมือนกับอาจารย์ท่อา่ารตอะไร้มันก็าารรนกธรรมอารมณ์จิตรับธรรมอารมณ์ก็กำหนดพี่นาว่านี่คือธรรมอารมณ์จิตรับธรรมอารมณ์ แล้วเมื่อมันรับแล้วมันไม่รู้จะอธิบายอาการทางจิตยังไงเพราะมันไม่มีภาษาที่อธิบายน้ําตาก็เลยเป็นภาษาของจิตมันก็ค่อยออกมาเป็นน้ํามันอธิบายผ่านน้าผ่านน้ําตาอาธิบาจะบอกว่าปีตีปีตียังไงะน้ําตาไหลนี่มันเป็นปีตี ผ่านอธิบายผ่านน้าตานีแหละเอ้าไปห้ามมันทําไมจิตมันเกิดเป็นปีติอยู่ภายในมันก็ต้องกั่นออกมาเป็นน้ําตาที่ธรรมดาความเศร้าก็กั่นออกมาเป็นน้ําตาความดีใจก็กั่นออกมาเป็นน้ําตาปีติก็กั่นออกมาเป็นน้ําตานี่เห็นไหมจิตกับกายมันสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเลยแหละจิตกับกาย ใหญกันไม่ออกกระเทือนจิตก็ต้องกระทบกายกระทบกายก็ต้องกระเทือนจิตนั่นเกี่ยวกันเั็นทางนั้นใช่ไหมละ่ะกระทบกายก่อนใช่ไหมละ่ะหูได้ยินก่อนใช่ไได้ยินเสียงหมดแล้ว อารมณ์ดีใจเสียใจค่ะมันมันมันทันทันแต่อารมณ์กลางกลมันไม่ทันเลยค่ะมันก็ต้องไม่ทันก่อนแต่เราก็รู้ว่าอันที่ไม่ดีใจอันที่ไม่เสียใจอันนั้นคือกลางอมันจับไม่ทันนะคะมันย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าอารมณ์กลางๆไม่ต้องไปจับมันไม่ต้องไปจับมันอารมณ์กลางกลาน่ะ จับอันที่ดีหรือไม่ดีไปก่อนขณะที่เรากำลังจับดูดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์หรืออะไรอยู่มันก็จะเป็นกลางของมันอยู่มันเป็นกลางของมันอยู่ในตัวนะั้น <Eagle. S 1> คำถามจากโยมพรพิลุนผลล่าถ้าบทพะรผริตหรือธาตุกรรมฐานสี่เป็นภาษาไทย โยมมีความสงสัยว่าหากเป็นคนชาติอื่นเช่นคนจีนหรือคนพมา่าเขมรจะต้องสวดภาษาอะไรเจ้าค่ะรู้เรื่องโดยภาษาอะไรก็ต้องใช้ภาษาอันนั้นหากเป็นคนจีน บทพา ร, ริยหรือบทพ่องท่านกรรมฐานสีก็ต้องเป็นภาษาจีนคนพมา่าหรือเขมรก็ต้องใช้ภาษาพมา่าและเขมรเพราะเป็นภาษาอันที่เข้าใจอันที่รู้เรื่องคนไทยต้องใช้ภาษาไทยเพราะเป็นภาษาที่เข้าใจได้รู้เรื่องต้องใช้ภาษาของแต่ละชนชาติ พระพุทธเจ้าบอกว่าการใช้ภาษาทางธรรมะเราจะมีภาษาภาษาบกชนี้เป็นภาษาในการเรียนรู้ใช่ไมล่ะแต่ภาษานี้การนำมาใช้ต้องเป็นภาษาของโบทชนกลุ่มนั้นนหมู่ชนนั้นนัในหมู่ชนใดใช้ภาษาใดใช้ภาษาในการถ่ายทอดหรือสื่อสารด้วยภาษานั้นแต่ภาษาที่ใช้ในการเราเรียนต้องเป็นบาลีเท่านั้นคนที่จะเรียนทำต้อง ใช้ภาษาบาลีแต่เพื่อจะสื่อสารความหมายต้องใช้ภาษาของชนนั้นๆนนะถึงจะถูกต้ อ, ง อ, องอุ่มอิ่มโยมอุ่มอิ่มขอวิธีปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นจากการเกิดด้วยค่ะอาจารย์จะปฏิบัติหรือเปล่าได้วิธีไปนะ่ะ ขอวิธีไปอย่าไปขอขอไปเฉยๆนะต้องปฏิบัติด้วยเราต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยเพื่อความหลุดพ้นและต้องยังไงอ่ะต้องไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคใดๆด้วยต้องไม่มีคําว่าท้อและถอยด้วยต้องยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตในหนทางนี้ด้วย ต้องยอมสละแม้บางสิ่งบางอย่างจะสูญเสียไปขาดแคลนไปหรือปกพ้่องไปหรือยังไงได้รับอุปสรรคได้รับความยากลำบากได้รับความทุกข์ได้รับสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีต้องยอมยึดและปฏิบัติตนในเส้นทางนี้ไปได้ อย่างติดต่อเนื่องกันต้องยอมขนาดนั้นนะเพื่อความหลุดพ้นเพราะอะไรพาอในวัตตจักนี้หาคนหลุดพ้นได้ยากหม่เละหลุดพ้นไปได้ยากหลุดพ้นไม่ได้ง่ายเลยยากมากหากปฏิบัติแล้วเข้าใจว่าขณะปฏิบัติก็จะได้รับความสุขและจะไม่มีอุปสรรค จะไม่มีเหตุร้ายจะไม่มีอันตรายจะไม่มีความทุกข์ใดๆหรือเข้าใจว่าชีวิตจะเกิดความสมบูรณ์แบบอันนั้นผิดการปฏิบัติอย่างนั้นการเข้าใจว่าปฏิบัติแล้วขณะที่ปฏิบัติก็จะได้รับความสุขความสงบความเบาความสบายอันนั้นผิดอันที่ได้รับความสุขความสงบความเบาความสบายอันนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติแล้ว ตในขณะปฏิบัติต้องทุกข์ต้องยากต้องลาบากต้องเสียสละต้องเจออุปสรรคต้องเจอความทุกข์ต้องเจอปากน้ำต้องเจอหลุมบอ่อต้องเจอความแปรปวนแห่งภัยทางธรรมชาติอันอันนี้พูดยกเป็นตัวอย่างแต่ที่แท้แล้วก็คืออันที่เป็นเป็นอะไรต่างๆที่มันไม่ดีนะที่เราเข้าใจว่ามันไม่ดีนะนั่นคือเราเข้าใจว่าอย่างนั้นวิธีปฏิบัติ ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายปฏิบัติยังไงตั้งความเห็นให้ถูกเห็นในอะไรเห็นในกายเห็นในจิตให้ถูกเห็นในกายยังไงเห็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้าไฟลมให้ได้ตามหลักคาสอนเห็นจิตประกอบมาจากนามสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยทราบว่าเวทนาเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้ สัญญาความทรงจําเกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้สังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้วิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เนี่ยคือมันเกิดยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงก็ต้องให้รู้ให้ทราบและพยายามทำให้ติดต่อเรื่องกันดูกายเป็น54าีดูจิตประกอบด้วยนามนขันศีลและเห็นการเกิดดับพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาอันเห็นการเกิดและการดับจักเป็นปัญญา เพื่อชั้มแรกกิเลสจะมาพิจารากายดูท่าศีอย่างเดียวไม่ได้จะดูการเกิดดับอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูทั้งกายเป็น5่าศีดิน้าไฟรมโดยการพิจารณาแล้วพินายอีกแล้วก็ดูการเกิดดับของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเห็นแล้วเกิดแล้วเกิดอีกเห็นแล้วเห็ น, นอีอยู่อย่างนั้นยําๆซ้ำๆดูกายอยาดูอย่างของแทดูการเกิดดับของจิตอย่างทองแท้ความรู้ทั้งสองประการนี้จะประสานกันเป็นอริยมรรคในเรื่องของสมาธิคือได้เห็นทุก เห็นเห็นให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติที่เึงความดับทุกข์อิจจะเกิดอนุรมณยานเนี้ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น <_ d ream> พูดอย่างนี้ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะก็บอกขอวิธีง่ายๆหน่อยพระอาจารย์วิธีง่ายๆมีไหมวิธีง่ายๆวิธีง่ายๆก็พูดไปแบบเมื่อกี้นี่แหละ ก็สักแต่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าได้ยินก็สักแต่ว่าดมกลิ่นก็สักแต่ว่าริมรถก็สักแต่ว่าการสัมผัสก็สักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจอย่าไปกําหนดหมายมั่นหมายอย่าไปปรุงแต่งต่ออย่าไปให้ความสําคัญใดใในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ริมรถในสิ่งที่มาสัมผัสกับกายในสิ่งที่เกิดกับใจอย่าไปสําคัญมั่นหมายในสิ่งใดใทั้งปวงวางความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายทั้งปวงลงทั้งหมดอย่าสำคัญมั่นหมายและอย่ายึดมั่นถือมั่น่งทีเห็ สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกลิ่นสิ่งที่ลิ้มรสสิ่งที่มาสัมผัสกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจอย่าปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ลิ้มรสในสิ่งที่มาสัมผัสกับกายและสิ่งที่เกิดกับใจอย่าไปยึดถือเอาสุขทุกข์ดีชั่วพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ลิ้มรสในสิ่งที่เกิดสัมผัสกับกายและในสิ่งที่เกิดกับใจอย่าไป ทุกทุรนทุายในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ริ้มรถในสิ่งที่มาสัมผัสทางกายในสิ่งที่เกิดกับใจอย่าไปสงสัยในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ริ้มรถในสิ่งที่มาสัมผัสกับกายในสิ่งที่เกิดกับใจแต่ให้รู้ชัดในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่ดมกลิ่นในสิ่งที่ริ้มรถในสิ่งที่มาสัมผัสกับกายในสิ่งที่เกิดกับใจว่า เป็นสิ ja ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกันปุ๊บหมดจากการเห็นก็ดับไปแล้วได้ยินหูได้ยินเสียงปั๊บหมดจากการได้ยินก็ดับไปแล้วได้ยินใหม่ก็เกิดใหม่หมดการได้ยินในคราวครั้งนั้นก็ดับไปอีกเหมือนกันแหละอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งรูปอารมณ์กับนามธรรมอารมณ์คืออารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ภายในเหมือนกันนั่นแหละ เกิดดับเมื่อลูกการเกิดการดับอย่างนี้ทั้งลูกทั้งนามทั้งลูกทั้งนามนะจะถึงการกดูดพ้นได้นี่คือวิธีการส่วนวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ที่พูดไปนี้ไม่มีไม่มีวิธีการอื่นได้อีอกแล้วหามีวิธีการอื่นที่ดีกว่าวิธีที่บอกไปนี้ก็ไม่รู้ว่าอันวิธีการนั้นมันจะหลุดพ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะ ผู้ปฏิบัติมานี่ปฏิบัติมาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้แต่ไม่ได้พูดพูดไปเมื่อกี้มันนิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแค่นั้นนะโอ้ปฏิบัติมากมากเลยเลยมากแต่อันนึงพูดเดี๋พูดแค่นั้นนิดหน่อยแต่ทํำนะมันทํามากเขาใหญ่ไหกลางวันกลางคืนทําอยู่ตลอดเห็นแต่เวลาหลับหลับมันยังทําเลยเดี๋ยวจะหาว่าธี่คุยหลับไปแท้ๆนี่นะร่างกายหลับนี่นะ แต่จิตมันยังทําหน้าที่ในการกําหนดรู้อยู่รู้ในรูปรู้ในเวทนารู้ในสัญญาสังขารวิญญาณรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสมันยังกําหนดรู้อยู่คือมันทําเป็นจนแบบรำมันเป็นอัตโนมัติแล้วจนจิตมันทํางานของมันเองแม้แต่กายหลักก็ยังทำไม่ยอมปล่อยให้อภิชาครอบกรรแม้กระทั่งหลักถึงขนาดนั้นทําจนเลว่าบ้าแต่มารียบ้าแบบประสาไปโรงพยาบาลบ้าหรือจิตตะเบบ้าทำํำเฉย บ้าในการที่จะทําลายกิเลสมันก็บ้าในระยะหนึ่งพอถึงจังหวะที่มันเกิดกําลังในการละมันก็ไม่บ้าในการที่จะทําอีกมันก็สบายแคนั้นแหละก็หลุดพ้นมาแล้วพ้นไปตามลําดับของมันแต่ตอนทํามันก็เหมือนกับบ้ามันจะใส่ใจอยู่เฉพาะในภายในไม่สนใจภายนอกจะเดินจงกรมจะทําสมาธิแต่ยังไม่เห็นคนบ้าบ้าแบบ แบบอย่างบ้านนี่เท่าไหร่เลยนะบ้านแบบที่จะใส่ใจกันให้มันติดต่อเนื่องจอกันดูอยู่ตั้งตลอดยิบยิบสีชั่วโมงเนี้ยก็มีน้อยมากตัวนี้ทามาจนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนจะพูดยงังไนสภาพกายยนไม่ไหวเดินกลางวันนี้นะกลางคืนเมื่อคืนกลางคืนโทว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนกลางวันเช้ามา เดินจงกงเดินไปกระเซไปก็ความง่วงง่วงชนต้นไม้บ้างเตะก้อนหินบ้างเตะตอบ้างมันมันมันงวงก็ยอมทำน๋อร่างกายมันทรงไม่อยู่มันเป็นอย่างนี้เนาะกายนี้เป็นทุกขั้นสัจจะเรียนธนาอยู่กับกายนี้โอ้มันเป็นกองทุกข์แท้ๆเนาะเราผู้ยึดถือกายยึดถือขันอยู่ ก็ต้องยอมเป็นไปตามอำนาจแห่งกายแห่งขันที่มันเป็นขัดขืนดื้อดึงกับมันไม่ได้มันมอบความแก่ให้ก็ต้องยอมรับความแก่มันมอบความเจ็บให้ก็ต้องยอมรับความเจ็บมันมอบความตายให้ก็ต้องยอมรับความตายแต่เราจะไม่ตายแบบแบบตายด้วยความหลงเราจะตายด้วยความรู้การพิจารณาอยู่อย่างนี้จะทำให้เราได้รู้รู้อะไรรู้กายเป็นทุกข์รู้ว่าจิตเป็นทุกข์ เมื่อเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องการเราก็จะสละลัดออกเราจะรู้มันอยู่อย่างนี้แม้ตายเราก็จะรู้อยู่อย่างนี้กายตายได้จิตตายได้แต่ความรู้ไม่ให mm. ้ตายความรู้เราจะรู้อยู <h <h ่ในกายสังขารที่มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเน่ยมันเลยเป็นอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงแท้มันคงไม่เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นเขาพิจารณาก็เกิดความรู้ก็เกิดปัญญาพิจารณาอะไรไปในที่ไหนไหนมันก็เกิดปัญญาในที่นั้นเดินไปอยู่ในปาา ลมทายุพัดมาอย่างแรงเราก็เดินไปท่ามกลางปา่ากิ่งไม้แห้งมันหักลงมาลงสีหัวแล้วก็พิจารณาเออมันก็มาเดินอยู่ในปา่าก็ต้องกิ่งไม้ก็ต้องหักสีหัวก็ธรรมดาเลือดออกก็ธรรมดากิ่งไม้มันหล่นมาสีหัวก็ถูกหัวมันแตกก็ต้องเลือดออกมันเจ็บถูกแล้วมันถูกกิ่งไม้ตีหัวก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดา เป็นอย่างนั้นก็อบรมใจอย่างนี้ไปเรื่อยอก็กลายนี้เป็นคุกอยากจะยึดถือมันนักเหลือเกินมาอีกก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกอบรมใจไปจะให้ทํำยังไงเนาะเราอบรมใจอย่างนี้นลยเดินขึ้นเขาฝนตกลื่นทะไลเนื้อตัวเปื้อนดินเออเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันมาแต่ในแต่อะไรแล้วจะไปเปื้อนกับดินอีกจะไม่กลัวมันทําไม เรื่องปกติเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดมก็ไม่มีอะไรหน้าหน้าตกหน้าแับไม่มีอะไรหน้ายึดมันถือมัน ว, วันนี้ทำไมมีคำถามกิตติคุคคณ ออาาเ่่่ภาษษังงกกฤไมคยคถามว่าคนที่ปฏิบัติทำแล้วจิตวิปลาสเกิดจากอารมณ์แบบไหนแล้ววิธีแก้จิตวิปลาสต้องปฏิบัติแบบหรือว่าแนวทางอย่างไรในการแก้ไขครับจิตวิปลาสให้หยุดทำก่อนให้หยุดทุกอย่างที่ทําห้ามภาวนาห้ามปฏิบัติห้ามทําอะไรทั้งสิน้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนอย่างมากสมเดือน ห้าทุกอย่างอยู่แบบปกติกินแล้วก็นอนไปอย่าไปทําเมื่อพ้นจากหนึ่งเดือนหรือ3เดือนคือแล้วแต่อาการนะ่อาการมากอาการน้อยอาการมากก็3เดือนอาการน้อยก็1เดือนไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดทำหนักทําไม่ต้องฟังทำอยู่แบบพ้นที่ไม่ทําอะไร น, นั่นแหละอยู่บ่ายธรรมดาธรรมดานะให้อาการที่วิปลาสนั้น มันเริ่มอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอันนี้พูดถึงที่ประลาดในขั้นที่ไม่ต้องไปกินยานะยังไม่ถึงขั้นกินยานะหรือถ้ากินยาแล้วนี่ก็แก้อย่างที่ว่านี้กินยาแล้วก็ในขณะที่กินยาก็กินยาไปก็แก้อย่างที่ว่านี้หยุดทำหนึ่งเดือนสามเดือนประมาณนี้แต่อย่าไปกินเลยยาพอหยุดแล้วปับ๊บครบสามเดือนแล้วให้ทำยังไงก็ เขาเรียกว่าต้องเขาเรียกว่าไงต้องหาครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะที่ผ่านมาปฏิบัติผิดจริงเป็นอย่างนั้นต้องหาครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องแต่แท้แทที่จริงแล้วเมื่อหยุดนะหยุด1เดือนหรือหยุด3เดือนหรือหยุด3มเดือนแล้วอาการมันยังมีอยู่และเทียบเคียงดูแล้วว่ามันอ่อนลงแต่ยังไม่หมดก็ยืดต่อไปอีก4เดือนหรือ5เดือนหรือสูงสุดก็6เดือน คือไม่ต้องทําอะไรไม่แต่ฟังเทศก็ไม่ต้องฟังธรรมะก็ไม่ต้องพิพูดคุยไม่ต้องอ่านอยู่แบบปกติอยู่แบบธรรมดากินไปคิดไปตามตามกระแสโลกที่เขาคิดเขาเป็นอยู่แบบคนทั่วๆไปที่เขาอยู่พอถึงจุดที่มันครบอย่างเดือนที่ว่าเนี่ยเจ้าตัวเขาจะรู้เองเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองคือจิตมันจะรู้สึกตัวขึ้นเองว่ามันควรจะทําอะไรยังไง มันจะเห็นความผิดพลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติของตนมันจะย้อนกลับไปทบทวนในสี่ตัวเองปฏิบัติว่าผิดตรงไหนพลาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนไม่ถูกตรงไหนไม่อยู่ในร่องลอยหลักคาสอนตรงไห น, นไม่อยู่ในหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนําตรงไห น, นเนี่ยเขาจะกลับไปทบทวนและย้อนย้อนยอน้ย อ, นยอนเข้าไปเรียนรู้แล้วการที่เขาเรียนรู้คือเขาจะรู้สึกตัวเองอย่างนี้หากไม่เกิดการรู้สึกตัวขึ้นมาเองอันนั้นแก้ไม่ได้แล้ว นะแก้ไม่ได้แล้วเพราะไม่ปฏิบัติหยุดปฏิบัติมาสามเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปทบทวนข้อบอกพร่องหรือความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมาแสดงว่าแก้ไม่ได้แล้วนั่นหมายถึงว่าจิตดิ่งลงอย่างแน่วแน่แนในความเป็นเป็นิปล่าด <c oughs> นะเมื่อจิตดิ่งลงอย่างแน่วแน่อันนั้นพระุทธเจ้าบอกว่าแม้แตถาคตยืนอยู่ต่ อ, ตอนหน้าก็เปลี่ยนจิตดวงนั้นไม่ได้ มันแน่วแน่มากเป็นนิยตักเที่ยงแท้คือไปโดยถ่ายเดียวคิดแต่เรื่องที่ตัวเองเข้าใจหรือเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นโดยถ่ายเดียวแต่บุคคลที่หยุดปฏิบัติคือหยุดคือหยุ ด, ยดจริงๆนะหยุดเลยเมตธรรมะอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปพูดอย่าไปสนทนาหยุดหนึ่งเดือนสมเดือนหเดือนเมื่อ อาการเหล่านั้นคลายตัวลงหรืออ่อนตัวลงปั๊บเขาสามารถรู้สึกตัวและย้อนกลับไปทบทวนในเรื่องราวของตัวเองเขาจะรู้อรเองว่าเขาจะทำยังไงในการเริ่มต้นใหม่แล้วจะเริ่มต้นด้วยวิธีที่ฉลาดกว่าเดิมจะมีสติขึ้นกว่าเดิมพราะเขาเห็นความผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคนที่วิปลาสนั้นก็คือคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจงัเาจงเกินไปคือเกิดความฟุ้งซ่านแล้วไม่ยอมสง บ, บระ ง, งับในความฟุ้งซ่านนั้น จริงจังจนเกิดความฟุ้งซ่านพู้ทีเจ้าก็เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสรุกไม่ใช่ตอนเป็นพู้ทีเจ้าพระองค์บอกว่าการที่ตถาพจน์เจริญจิตในกุศลธรรมนั้นมากไม่เห็นโทษของกุศลธรรมแต่ประการใดเลยแต่เนื่องจากว่าการที่จิตตัถาพจน์จิตในเขาที่เป็นโพธิสัตว์นในการที่ยังไม่บรรลุะจะเจริญกุศลธรรมมากเกินไปทําให้จิตฟุ้งซ่าน มีเพียงแค่นั้นทอดในกุศลธรรมไม่มีแต่จิตมันทําให้จิตฟุ้งซ่านเท่านั้นเองเพราะมันมันเกิดการคิดจนมากเกินไปพิจารณามากเกินไปจเจริญจิตมากเกินไปจนฟุง้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วคนที่ไปถึงจุดฟุ้งซ่านนั้นอนะ่ะควบคุมความฟุ้งซ่านไม่ได้จเจเลยวิปลาสแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าฟุงา้งซ่านปุ๊บโป้งก็รู้สึกตัวในความฟุง้งซ่านแล้วก็ดำดำรงกิตไว้ในภายในจเจริญอานาปนานสติขึ้นมาส่วแล้วนระงรับ จิตวิปลาดฆ่าตัวตายก็มีภิกษุยุยคแรกที่พี่นาการยคตาสติพี่นากายเป็นของเปื่อยเน่าเป็นอสุภาษและเบื่อในร่างกายจนจิตวิปลาดเอามีดโกนเชือดคอตัวเองตายหรือสั่งให้คนอื่นมาตัดศีรษะตัวเองหรือเชือดคอตัวเองตายก็มีในยุคแรกที่โมงทรงสอนกรรมฐานให้หรอยูปมั่งตายขาดตัวตาย นั่นคือวิปลาสก็บอกโอ้ขนาดผู้ได้ย่อสอนกรรมาฐานเองขนาดนั้นยังมีวิปลาสอยู่เหลอมีสิเกิดจากวิบากรรมด้วยที่เป็นอย่างนั้นนะกิตติคุณาาาก็ควรจะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ชี้แนวทางที่ถูกต้องจะเป็นครูบาอาจารย์ไหนก็ตามที่ท่านแนะนําได้ถูกต้อง ต้องแนะนําที่ถูกต้องด้วยนะต้องเชี่ยวชาญเรื่องจิตด้วยนะต้องเชี่ยวชาญเรื่องขนาดแห่งจิตต้องรู้ด้วยว่าที่วิปลาสเพราะอะไรครูบาอาจารย์รูปนั้นต้องรู้และหากเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้ส่วนมากจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ผ่านอาการเหล่านั้นมาก่อนแล้วถึงรู้นี่ก็ผ่านมาก่อนแล้วถึงรู้ไงผ่านแบบไห น, นผ่านแบบวิปลาสมาแต่วิปลาสไม่นานเนี่ยวิปลาสไม่นานเพราะมันดึงจิตทัน พันผนจิตทันคือมันมันเข่งมันจเจริญกุศลธรรมอย่างเดียวมันมันจะเอาจิตเป็นอธิจิตเอาแบบไม่ให้มีอกุศลในจิตมาแปดเพื่อนเลยมันเอาแบบจนฝุงจนหมุนอยู่กับสภาวธรรมจิตมีแต่สภาวธรรมแวดลอ้อมเกิดวิปัสสนาญาณรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกินสิ่งที่ริมรสสิ่งที่มาสัมผัส เป็นพิปศนัยานล้วนมันเกิดยานอย่างทราบอย่างรู้ในขณะที่ทำนั้นเหมือนกับไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นโลกอีอกโลกหนึง่งคือมันมีภาพแห่งสภาพสภาวะนะคือสภาพอันที่จิตพิจรารณ า, านัะนะ้นอ่ะมันปรากฏแทรกอยู่ในภาวะคนทั่วไปนะมันมีมันแล้วแต่ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้น แต่มันจะไปจัดเป็นกุศลธรรมเพราะจะมันจะพี่นาไปแต่ในด้านธรรมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนติดต่อเนื่องกันจะพี่นาอยู่อย่างนี้นยุติอะไรนะให้ยุดแต่นี้เป็นไม่นานเป็นอยู่ประมาณสถ้าจับได้ประมาณสองสาวันเนี้ยประมาณเนี่ยพี่ทันต้องกูจำผ้าไปแล้ว น, นั่นหนักทันเลยเนาะ พอรู้ว่าจะบ้าไปแล้วปั๊ทําไงดีตอนแรกจะหาวิธีควบคุมโอ้ไม่ต้องไปหามันหยุดทีนี่นแค่หยุดเฉยมันแต่มันไม่หยุดอันอันที่ทําข้างในมันไม่หยุดมันก็ทกําองมนไปไ ป, ไ ป, ไป <S <S เดือนนึงหายเดือนหนึ่งอย่างแม่เทียนนะอัตมาก็สั่งเดือนหนึ่งหยุดไม่ต้องไปทําไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้อง เดือนหนึ่งก็เหมือนเป๊ะเลยหยุดจริงๆก็มาพูดทางโอ้หยุดแบบพระอาจารย์พูดเป๊ะเลยเดือนหนึ่งก็คนผ่านมาแล้วเนาะวาระจิตอย่างงันล่ะรู้ทราบเข้าใจดีแต่คนที่เป็นมันไม่รู้ตัวคนที่เป็นวิปนราสวนมากไม่รู้ตัว ถามมาอีกว่าจิตวิปลาสกับจิตแตกสลายตัวเดียวกันหรือไม่ครับพระอาจารย์ไม่เหมือนกันจิตแตกสลายจิตจิตแตกสลายคือปกติจิตเกิด้ดับแต่ไม่แตกสลายนะเกิดดับแต่ไม่ได้แตกสลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับด้วยการที่เราไม่ได้เห็นการเกิดการดับของจิตแต่เราเห็นความมีอยู่ของจิต การที่เราเห็นความมีอยู่ของจิตอย่างนี้มันจึงก่อให้เกิดอัตตาขึ้นในจิตในจิตเกิดดับเมื่อเราไม่เห็นการเกิดดับของจิตเราเห็นความมีอยู่ของจิตไอความเห็นมีอยู่ของจิตที่ว่าจิตมีอยู่จะเกิดอัตตาในจิตและเมื่อเห็นว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตก็จะเกิดอัตตาหนาขึ้นมาอีกพอกูนแล้วก็เราก็เห็นว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตอย่างนี้มาเป็นอเนกชาติ ว่าจิตเป็นของเราเราเป็นเรากับจิตเป็นในเดียวกันอัตตาก็เลยครอบคุมขึ้นมาเป็นตัวตนในจิตจิตเนี่ยเกิดดับอยู่แล้วตามอารมณ์ที่มาสัมผัสทีนี้จิตจะแตกสลายได้ก็ต่อเมือ่อสัมผัสกับอรหัตมรักอรหัตผลอรหัตมรัมกขเนี่ยมรคจิตในอรหัตมรักเห็นพันิภานปั๊บกระแสนั้นดวงจิตจะถูกทำลายทันที ทันทีเลยนะั่นจะแตกสลายออกไปเลยตัวตนของจิตอัตตาทั้งหมดจะแตกสลายเหลือแต่ระบบของจิตที่เกิดดับตามธรรมราตามพราหะแต่ตัวตนนั้นอนะ่ะมันแตกสลายไม่มีผู้เกิดอีกทนีนนน่ไหนๆไออัตตาในจิตที่เราเห็นว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตไอตัวเนี้ยเป็นไ ป, ไปสู่การกำเนิดแต่คําว่าวิปลาสมันหมายถึงขาดเพื่อนขาดเคพื่อนคือไม่อยู่กับความเป็นจริงมันขาดเคพื่อนจากความเป็นจริง ตอนแรกก็จเจริญจิตไปในกรรมฐานภาวนาในการปฏิบัติอย่างเงี้ยเจริญจิตปไปจเจริญจิตไปแต่ไม่เห็นจิตไม่ได้รู้ไม่รู้จักจิตที่มันกําลังพิจารณาจเจริญจิตให้กรรมฐานนั่นไม่ได้เข้าไปจับดูสภาพแห่งจิตที่มันกําลังเป็นแต่เป็นไปตามอาการแห่งจิตที่มันพิจารณาคล้ายๆกับว่าเคิบเ่อมไปตามเรื่องที่มันพิจารณาเหมือนกับคนจมอยู่กับอารมณ์ก็เคลื่ไปตามอารมณ์อย่างนั้นอ่ะ จะเป็นทำนองนี้แต่อันนี้อยู่ในชั้นของกุศลธรรมชั้นของการปฏิบัติคือเพิ่มเพิ่มไปกับกรรมาฐานที่ทํำหรื อ, อสิ่งที่จเจริญอยู่ภาวนาอยู่ในเวลานั้นเพิ่มไปแล้วก็น้มใจเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพอพอน้มใจเชื่อปับ๊บนั่นคือขาดเคลื่อนแล้วเพราะไม่ได้เห็นอาการแห่งจิตที่แท้ขาดเคลื่อนแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยทีนี้ฟุ้งไปตามเรื่องนะั่นเรื่องที่พิจนารณายอยู่นะั่น เหมือนกันกับปนที่พ so well ี่นะร่างกายเป็นอสุภะก็เกิดลังเกียจเบื่อหน่ายอยู่หมดเลยอาหารก็กินไม่ได้อ้วกอาเจียนอันนี้ก็คือวิปลาสอย่างหนึ่งนะเป็นวิปลาสอย่างหนึ่งคือน้มใจเชื่อเป็นอย่างนั้นเลยเป็นวิปลาสแต่เป็นวิปลาสแบบอ่อนๆหาดไม่แก้จิตก็อันตรายเหมือนกันนะตัวนี้ต้องแก้นะไม่แก้ก็อันตรายอันตรงที่ลังเกียจบื่อหน่ายกินข้าวไม่ได้เห็นใครก็อยากจะอ้วกอาเจียนไปอย่างนั้นอย่างเนี้ย เป็นช้างของสมถานก็เรียกว่าเป็นผลข้างเคียงเป็นไซต์เอฟเฟกของกรรมฐาน <c oughs> อาตมาจึงไม่อยากจะให้พีนาไปอย่างนั้นหให้พีนาเป็ น, า น, น, น, าปนาธาตุเลยทันทีผลข้างเคียงมันน้อยใครเกิดกินวิปลาสแบบนี้ให้หยุดหยุดทําหยุดปฏิบัติหยุดโน้มใจไปให้ปล่อยจิตเป็นปกติจิตธรมรมดามันจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไม่ต้องไปิดกุบกุมไม่ต้องบังคับไม่ต้อง พยายามที่จะทําทให้เป็นกรรมฐานปล่อยไปเลยผมบอกอาคุศลอกุศลมาแทรกก็จะไปแทรกจะเป็นอะไรไปก็แค่อกุศลแค่อารมณ์หนึ่งไม่เห็นเป็นอะ ไ, ร, ไรู้ตัวก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกหรือแนะนําไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็จะไม่รู้ตัวจะไม่รู้ตัวมันจะมันจะลงหลไปอย่างนั้นมันน้อมใจไปอย่างนั้น การโน้มใจไปในเรื่องนั้นโดยขาดการแนะนำหรือขาดความรู้ที่ดีขาดการคราคิดที่ดีก็หลงได้แล้วก็ไม่รู้สึกกลัวได้ในลักษณะอย่างนั้นีวิปก็เกิดในคำพูดการก็มีภิกษุเป็นอมูลรหัวินโยิน์มีในสำหรับบคุคคลผู้เป็นบ้าทำยังไง หายบ้าทำยังไงเป็นบ้าทำยังไงไม่ถือโทษโกรธกันในขณะที่เขาเป็นบ้าอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นพอเ ข, า, ขาหายบ้าแล้วก็มีสติขึ้นมาแล้วค่อยแนะนําเขา อ, อันแตกสลายอันแตกสลายแบบที่ไม่ได้เป็นอรหัวตามาอันแตกสลายแบ บ, แ ต, แบบบแตกสลายแบบเจ็บปวดทรมานหรือแตกแสแตกสลายแบบอันนั้นอันนั้นมันคนละเรื่อง อาลีมักนนีม้มีความรู้สึกทุกข์ทรมานอะไรแตกสลายคือเห็นจิตแตกไปเลยทำลายตัวเขามันเองทำลายอัตราตัวมันมันไม่ใช่แตกสลายแบบอาการที่เป็นอาการแบบใจแย่ละแลกสลายอะไรโอเคนั้นไม่ใช่แต่เขาถามเหตจิตยิปราชกับจิตแตกสลายเนี่ยต่างกันไหมอย่างเงี้ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงตัวเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกัน แต่มันก็ต้องผ่านอย่างนี้อยู่เหมือนกันชื่ออะไรพนมพ์มี่เขียนชื่อมาให้ชื่อภาษาองกฤษกิตซูรีอะกิษซูรี จิตที่ดูเหมือนมีใครมาแฝงเราตอนสวดมนต์เราควรทําอย่างไรคะเพราะรู้สึกได้จากเสียงที่ออกมาและทานองที่ไม่เหมือนเราที่เป็นปกติจิตที่ดูเหมือนมีใครมาแฝงให้เข้าใจจิตนะเข้าใจจิตตามความเจริงว่าจิตไม่มีอะไรมาแฝงได้เพราะจิตเป็นนามแฝงไม่ได้ จิตเราจิตมันเป็นอิสระอยู่แล้วตามภาวะมันแค่ทําหน้าที่ในการรับอารมณ์โน้มตามอารมณ์เอ็นตามอารมณ์แล้วก็ดับไปไม่มีใครมาแฝงร่ายได้แต่อันสภาพที่แฝงคือมีสภาพบางอย่างอยู่ในรูปแบบของชาวทิพย์รูปแบบของวิญญาณรูปแบบของเอ่อมนุษย์บางอย่างพวกแฝงตอนที่เราสวดมนต์ควรทําอย่างไร อตอบทีเอกส่ะเลือกส่วนมนไม่อันมันมันโลสัตมันโคลสวนอันอันสวดก็อันอันคนที่ยังอยู่กับการสวดก็ให้เขาสวดไปแต่อันที่เขามาอยู่ใกล้ๆหรือมาแฝงเนี่ยทำยังไงกับเขาก็ต้องดูว่าเหตุแห่งการแฝงมามีกี่อย่างหนึ่ง แฝงมากับอะไรวัตถุบุคคลเครื่องรางของหังของปลุกเสกและอำนาจไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาแฝงมาเป็นอันนี้จะเป็นพวกผีมนผีอาคม 2. แฝงมากับการที่เราไปบูชาอะไรบางอย่างมาโดยมีวิญญาณเหล่านั้นอยู่ในเครื่องบูชานั้นด้วยเช่นไปบูชาพระกุมาร ไปบูชาพญานาะคไปบูชาอะไรมาบางอย่างแล้ววิญญาณเหล่านั้นที่มีที่เขาอยู่ที่บูชานะติดตามเรามามก็แฝงมามก็มีอันที่สองอันที่สามเพราะเหตุบางอย่างที่เราได้ไปกระทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อชาวทิพบางเหล่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง หรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่โกรธแค้นและไม่พอใจในบางอย่างที่เราทำอันนั้นก็ตามมาอันนี้ก็จะตามมาให้โทษและเท่าที่เคยแก้ไขคนที่เคยทำแทงมาจะมีดวงวิญญาณคอยเกาะคอยติดตามคอยแฝงและวนเวียนอยู่อันนี้ก็ต้อง จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับทราบแต่จะมาอย่างไรก็ตามจงจำไว้ว่าอามนุษย์วิญญาณหรือชาวทิพย์เหล่านี้เขาแสดงตัวขึ้นมาให้เราได้รับทรา บ, บ, บเพื่อให้รู้ว่ามีเขาอยู่เอออีกกรณีหนึ่งอะไรที่ติดตามมาเพราะหนึ่งอมนุษย์ผีปีศาจที่ไม่พอใจบุคคลผู้นักสือพระราตาไตาย อาจจะทําการอบอกรบวนผู้นำผิวพระรัตนตรตยด้วยอันนี้อีกกรณีนึ่งนะคือให้ทราบว่าที่เขาแฝงหรือเรารับรู้รับทรา บ, บ, บ, บได้ว่ามีการแฝงนั่นแนหะเพื่อให้ทราบว่ามีเขาอยู่แต่เมื่อเราทราบว่ามีเขาอยู่แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อทราบว่ามีเขาอยู่แล้วควรทํำยังไงเพาท่านที่ส่วดมนตมันยังไม่หนีอ่ะทําไงแสดงว่าการส่วนมนไม่สามารถช่วยอะไรไปได้อุทิศบุญให้ถูกต้อง แล้วควรอุทิศบุญจากอะไรจากการทําบุญชนิดไหนการสวดใช่ก็การที่ถ้าเราไปทำบุญเราก็อุทิศก็การการะทำบุญมันเกิดจากการทําบุญแบบไหนให้ทานให้ทานให้ทานหากเกิดอย่างนั้นขึ้นเตรียมของให้ทานไม่ใช่เตรียมของให้ทานกับพระนะให้ใครก็ได้ที่อยู่บริเวณใกล้เพียงกันกับเรามีน้ําอยู่หนึ่งปวดถือน้ํานี้ไปให้เขาใครก็ได้อยู่ในครอบครัวอยู่เพื่อนบ้าน คนงานคนใช้ลูกหลานพ่อแม่ถือไปให้แล้วบุธิดว่าบุญนี้จงสาเร็จแก่ดวงกิจดวงวิญญาณที่ติดตามข้าพเจ้าอยู่นะขวดหนึ่งยังไม่หายยังรู้สึกว่ามีอะไรมาติดตามอยู่เอาอีกสองขวดสองขวดยังไม่หายเอาอีก3ขวดสามขวดยังไม่หาย4 5 6ห้า1ก็ปกขวดเพราะผีบางจำพวกต้องได้รับบุญได้หลายรอบได้หลายครั้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วออกจากการแฝงและแทรกสีอยู่ในตัวคนแต่หากดวงจิตดวงวิญญาณที่มากับเวทมนต์คาถาอาคมอันนั้นต้องแก้ไขโดยการสูญพัทริปและสละวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องสื่อในการนำดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมาอยู่ใกล้เราดวงจิตดวงวิญญาณที่มากับเวทมนต์คาถาหรือสํานาไสยศาสตร์พวกนี้เราจะต้องเอาพวก เหรียญรูปเหรียญเครื่องราง ข, งของขังวัตถุปุกเสกออกไปให้หมดพ่อสิงเหล่านี้เป็นสื่อสัญ ญ, ญาณดึงดวงจิตดวงวิญญาณที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เนี่ยมาถึงตัวเราต้องเอาออกจากการครอบครองของเราโดยกรรมสิทธิ์ไม่อย่างนั้นเราก็จะได้รับผลแห่งการติดตามจากดวงจิตดวงวิญญาณพวกนี้อารมณ์พวกนี้และเขาก็จะวนเวียนอยู่กับเราไปตลอดไม่ยอมออเป็นอย่างนั้นวนนน่าไงก็ได้ ออกจากบ้านแล้วไปไว้หน้าบ้านไม่ไม่ใช่นะไปไว้ก็ใช่หายถึงว่าอเอามาจากไหนก็ไปไว้ที่นั่นถ้าเอามาจากวัดก็ไปไว้วัดหมดเขาแฝงจิตไม่ได้หรอะแต่เขาแฝงตัวได้แต่แฝงตัวคนได้แต่แฝงจิตไม่ได้ จิตเป็นจิตอยู่แล้วอราวนี้เรียนถามว่ามีคนนำเทพุทธลูปมาให้ที่บ้านไหครับที น, นี้ ป, ปกติที่บ้านก็ไม่มีไม่ได้รับของพวกนี้ที น, นี้อยู่แล้วเนาะที่ที่บ้านก็ไม่มีไม่มีอยู่แล้วที น, นี้ก็เอามาฝากมาให้ที่บ้านแล้วถ้ากรณีเช่นนี้นคะคะคือเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเทพุทธลูกคือเราไม่ไม่ได้มีนี่ก็เป็นพุทธลูกนั่นแหละ จะเป็นถืออะไรมันเป็นอยู่แล้วที่เขาทําขึ้นขึ้นมาแล้ ว, ลวถ้าเรายัง อ, อยู่ในที่บ้านแบบนี้หรือเราควรจะต้องเอาออกมาก็เขาฝากมาก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาฝากฝากมาให้เลยะคะ่ะเอาฝากมาให้แล้วเราจะเอาเอาหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราคือมันก็น้องเขาก็เอาไปเก็บไว้ในตู้คือเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเพราที่าคือในใจเราไม่มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว เราไม่ได้ยึดเป็นสารณะอยู่แล้วเรายึดพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะโดยปวาหมายของพระตนาไตจที่เป็นธรรมชาติแต่เราไม่ได้ยึดถือโดยลูกเคารพก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้นั่นไม่ติดเสียหายไม่มีเกี่ยวกับอํานาจไสยศาสตร์เข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอํานาจไสยศาสตร์เข้ามาก็จําเป็นจะต้องเอาออกแต่อันนี้ไม่น่าจะมีอะไร ของไยาสส่วนมากจะเป็นของสวดุบุเกเสกอะโส่วนมากเป็นคน พ, พวกที่ผ่านกันสวนพิธีเสกมากพวนนี้มันจะมีวิญญาณพวกผีอาคมผีมนผีคาถาผีต่างๆนานาเนี่ยที่มันชื่นชอบอย่กมนีมันติดมามันเป็นวัตจัก บ, บนเวียนอยู่กับวิบากกรรมในการ ยึดถือเวทมนตรคาถาพระราตรายตายมีไปยึดถือไปยึดถือเวทมนตรคาถาพอตายไปปุ๊บก็ตายเป็นผีมนผีคาถาหากมีการรับวัตถุมงคลวัตถุผูกเสกนี้ไปไว้ในที่ไหนก็ตามโดยจิตวิญญาณที่เป็นวิบากกรรมในการที่จะานเวียนติดอยู่กับอํานาจของมนก็จะถูกดึงไปอยู่ในวัตถุมงคล น, นั้นๆโดวยวิบากกรรมชอบนักก็ถูกดึงไปตรงนั้นชอบมนชอบคาถาชอบการผูกเสกไม่ว่าจะมีการผูกเสกขึ้นที่ไหนก็ตาม